กดมนธรวัฏเย็นนบะางคนมาไม่ทันก็มาฟังธรรมก็ก็ได้เหมือนกันเนาะก็ตั้งใจฟังแล้วกันเนาะตั้งใจฟังธรรมแล้วก็อาจจะพิจารณาพิจารณาตามก็ได้นะคำ ว, ว่าพิจารณาคือว่าคล้ายๆมองให้เห็นตามนะ สมมเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนของเราเขาไปเที่ยวนะหรือเขาไปทำอะไรใช่ไหมเขาก็มาเล่าเรื่องราวที่เขาได้ไปทำที่ที่เขาไปเที่ยวนะเราก็เห็นภาพตามใชม่เราก็จะได้เออเหมือนเราไม่ได้ไปแต่เราก็เหมือนได้รู้สึกสัมผัสกั บ, กบประสบการณ์ตรงนั้นตามไปด้วยนะการตามคำก็เหมือนกันนะนะ เราก็พิจารณาตามก็เหมือนอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้นะพระอาจารย์ทั้งหลายท่านพูดแบบนี้นะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคือบางคนยังไม่เคยไปเองยังไม่เคยสัมผัสนะเราก็พิจารณาตามน้อมไปตามว่าเออมันเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าคนที่เคยไปแล้วคนที่เคยสัมผัสแล้วนึกใช่ไหมอืมเขาพูดขึ้นมาเนี่ย อเราก็รู้ในสันตีใช่ไหมอย่างเช่นสมมติอนามาพูดเรื่องมุดเรื่องจังหวัดเชียงใหม่นะถ้าคนอยู่เชียงใหม่ถ้าคนเคยไปเชียงใหม่เข้ามาพูดเรื่องเดียวกันอ่าเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตของเขาเองเก็อ้อเข้าใจอ่าเชียงใหม่เป็นแบบนี้ธรรมะก็เหมือนกันนะที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะ จะไม่รู้ได้หรอกนะเพราะจริงธรรมะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ประสบกันอยู่แล้วนะอแต่ว่าโดยเฉพาะพวกเราอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีธรรมะดีๆเยอะมากนะไม่ต่างจากที่วัดนะอย่างที่วัดอาจจะมีอย่างเมื่อเดือนต้นเดือนพฤษภาคมพอดีที่วัดที่จะมาอยู่ก็ได้จัดงานศพครั้งแรก แต่ในการจัดงานศพ ท, ที่เผากางแจ้งนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตนะเป็นค า, า, ารวาแต่เป็นอาจารย์ที่สอนธรรมะมีซีดีมาแจกนะ้นะในการผลพ้นค น, นเขาก็ไปถ่ายทำเพราะว่าส่วนใหญ่เวลามาศพใช่ไหมก็เขานิเมนเราก็ไม่เห็นอะไรนะก็เห็นเพียงแค่ว่ารูปนะที่อยู่ตรงหน้าโลงเท่านั้น แม้แต่ตัวศพเองก็ไม่เห็นเผาเสร็จไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรมีแต่หญติที่น้องมาเก็บกระดูกทิใช้ปพอดีอาจารย์ท่านท่านเสียชีวิตแล้วก็ท่านตั้งใจว่าอยากจะให้จัดงานศะ พ, พนะแบบเรียบง่ายแล้วก็เผาแบบธรรมชาติก็เอาฟืนมากอมกันแล้วก็ทำพิธีเผาแบบเรียบง่ายแต่ก็อาจจะมี การตกแตกนิดนึงเพราะว่ามีคนมามาร่วม ง, งานศพเยอะหลายคนก็ประทับใจเพราะว่าไม่เคยเห็นงานศพแบบนี้ใช่ไหมแต่ก่อนเราแต่ก่อนอาจจะเป็นแบบนี้แหละคนโบราณเผาตามป่าช้านะก็ไอ้ยาตพีน้องมาเห็นเออตอนตายส่วนใหญ่แต่ก่อนก็ตายกันที่ในบ้านเนาะแต่ตอนนี้ก็ตายที่โรงพยาบาลก็เยอะนะคนทั่วไปไม่ค่อยเห็นความตายไม่เค่อยเห็น ตอนที่ตายไปแล้วเขาแบบไหนก็นะไม่ค่อยได้พิจารณาแต่พวกเราโชคดนะีเห็นคนตายเยอะนะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเยอะมันก็ทำให้เราได้เลยทาให้เราได้พิจารณาชีวิตเราเนาะเพราะคนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีความสุขอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขอยากจะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์นะ ทั้งทางตายทั้งทางใจไม่มีใครอยากทุกข์หรอกใช่ไหมไม่มีใครอยากจเจ็บเจ็บไม่มีใครอยากจะไม่สบายที่จริงก็ไม่มีใครอยากจะตาย <c oughs> ถ้าคนไม่ไหวจริงๆเนาะแต่คนไม่ไหวก็อยากจะตายนะเพราะว่าเราก็อยากจะอยู่กับคนที่เรารัก น, น, นานๆอยากจะดูแลเขา น, น, นานๆนะอนะืแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วมันก็มันไม่ใช่เรื่องความอยากของเรา <c oughs> แม้เราจะอยากมีแต่ความสุขนะแต่ความจริงมันก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์นะความจริงชีวิตนะมันร่างกายของเราก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้คือความจริงนะไม่ใช่คือเราจะเอาความปรารถนาว่าเร า, าจะมีความสุขตลอดแข็งแรงตลอดเราปรารถนาแบบนี้มันก็พร้อมที่จะทุกข์นะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงธรรมะที่จริงก็คือการยอมรับความจริง นะมาว่าหลายคนบางทีก็อยากจะหนีความจริงเมื่อเจอความทุกข์ก็อยากจะไปหาอะไรที่สุขๆทำใช่ไหมให้มันดื่มเรื่องทุทกข์ไปนะแต่จริงมันก็เป็นเพียงแค่การหนีความจริงเท่านั้นนะแต่จริงธรรมะจริงๆก็คือว่าเรามาเรียนรู้จับความจริงนะว่าเราหนีไม่พ้นใช่ไหมอามาก็เลยว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่ที่ทำให้เราเข้าใจความจริงเยอะคืออะไร ผู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมความแก่แล้วก็ความตายเราไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เป็นศัตรูนะใช่ไหมเหมือนเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนไม่สบายเราจะไปมองว่าโรคไข้ไข้เจ็บเป็นศัตรูความแก่ชราเป็นศัตรูความตายเป็นศัตรูเราต้องชนะเขาให้ได้เราต้องทําให้มันหมดไปนะที่จริง ถ้าเรามองเขาเป็นศัตรูนะสุดท้ายเราก็ต้องแพ้เขาเหมือนเดิมใช่ไหมเรารักษาโลกนี้ได้ก็มีโลคอื่นต่อนะหรือเรารักษาได้ทุกโลกเลยแต่สุดท้ายก็ต้องตายเหมือนเดิมใช่ไหมโลกหลายๆอย่างรักษาได้แต่ชีวิตก็รักษาไม่ได้นะนั้นเราไม่ต้องมองเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเป็นศัตรูนะ แต่เรามองว่าเป็นเรื่องนะที่เราต้องรักษาตามเหตุตามปัจจัยนะรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็เป็นเรื่องต้องยอมรับมันนะเราก็ต้องทำหน้าที่รักษานะไม่ใช่มองว่ายัางไงก็ต้องตายยังไงก็ต้องเจ็บนะไม่ต้องรักษาหลอกเพืองเพืองลบประมาณเพืองเวลาเฉยๆนะแต่คิดแบบนั้นก็ไม่ถูกเหมือนเราปล่อยให้ตัวเอง ข้าวเนาะกินทําไมข้าวกินแล้วก็ต้องกินอีกนะก็ต้องหิวเอกนะมันก็ต้องกินนะ่ะมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆกินแล้วหิวก็ต้องกินใหม่อกินแล้วก็พ อ, อะหิวแล้วก็กิกนใหม่โรคใครแค่เจ็บก็เหมือนกันแล้วก็มองให้เป็นเรื่องธรรมดานะการรักษาก็คือการบรรเทาบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นเพื่ออะไร ถ้าเรามองแบบนี้นะเราจะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่แล้วก็ความตายได้คือเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอแน่นอนะแต่คนส่วนใหญ่ที่ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรไม่อยากเจอใช่ไหมคนไข้หลายคนจะจะมีความเครียดหรือความกังวลหรือเป็นความที่ใจมันทุกข์มากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ยอมรับอะ่ะอืทำไมเราต้องเป็นมะเด่งด้วย ทำไมเราต้องเป็นอมพตะอมพาต ด, ด้วยทำไมเราต้องไป่ข้อทำปากด้วยนะทำไมเราต้องติดเชื้อนั่นนี่ด้วยคือถ้าเราไปโทษแต่ว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องราวแบบนี้นะหรือญาติพี่น้องพูดโดแรงก็ป่วยบางทีก็โทษนะทำไมต้องเกิดกับเราด้วยเกิดกับญาติพี่น้องของเราด้วยเกิดกับคนที่เรารักด้วยที่จริงไอ้ตัวเนี้ยมันทุกข์มากกว่านะ่ะ มันมันทําให้ทุกใจมากกว่านะอ่าทุกกายเนี่ยมันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแต่คนที่ทุกใจไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละอที่จริงความจริงเป็นแบบเนี้ยพอเราไม่ยอมรับว่าเอทําไมเป็นแบบนั้นแบบนี้สายคนก็ไปโทษกรรมไปโทษเวรไปโทษสิษษษ่งอื่นนะแต่จริงพระพุทธเจ้านะคือพุทธศาสนานไม่ได้สอนให้เราไปโทษ ไปโทษคนอื่นนะพุทเจ้าแค่บอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้แก้ไขให้รักษาไปแต่โดยดีไม่ต้องไปโทษอดีตนะไม่ต้องไปโทษชนะไม่ต้องไปโทษคนอื่นพราะพรุทธองค์ท่านเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆสมัยก่อนเนาะเขาใช้ธนูล่าสัตว์ใช้ธนูในการดําเนินชีวิตถ้าบอกว่าถ้าสมมุติเราถูกธนูยิงเราจะทําแบบไหน เราจะไปคอยเทียเ่ยวตามหามไหมว่าใครเป็นคนยิงธนูใส่เราธนูนี้ยิงมาจากทิศไหนทําไมเขาโกรธเราเรื่องอะไรธนูนี้มียาพิษหรือเปล่าเราต้องไปคอยตามจับไหมอย่างแรกคืออะไรเอาเอาลูกศร อ, ออกก่อนนะเอาลูกศร อ, ออกก่อนแล้วก็รับสาแขกก่อนอ่าหน้าที่คือตรงนี้มันโดนธนูยิงแล้ว อย่าเพิ่งไปคอยเที่ยวเที่ยวตามหาว่าใครยิงเรายิงเพราะอะไรนะมีพิษหรือไม่มีพิษอย่าเพิ่งไปหาหน้าที่เราตอนนี้ก็คือว่าเอาธนูออกจากใจของเราก่อนเวลาเราเจอปัญหาก็เหมือนกันนะนะปัญหาความเจ็บไข้ได้วยป่วยปัญหาเรื่องราวที่เป็นปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษแล้วทําไมทําไมทําไมนะ ถ้าคิดว่าทำไมทำไมน่ะมันยิ่งทุกข์หนะักะเอาความทุกข์ออกจากใจแล้วก่อนนะเหมือนกับคนที่ถูกธนูยิงนะเอาลูกธนูออกก่อนแล้วก็รักษาแผลก่อนเว<ๆ>ลานนเราเจอกับปัญหาในชีวิตก็เหมือนกันให้มีท่าทีแบบนี้อย่าไปคอยถามทำไมไปโทษเวรกรรมไปโทษคนนั้นคนนี้ให้เรารักษาใจของเราให้มันเป็นปกติก่อนเนาะรักษาใจเราที่เป็นปกติก่อน มันจะทำให้เป็นการเยียวยาตรงนี้ก่อนนะให้เราลอดตายก่อนเมื่อเราลอดตายจากตรงนี้แล้วนะเราก็ค่อยไปพิจารณาดูว่าเอีปัญหานี้มันเกิดจากอะไรนะเราจะต้องแก้ไขอย่างไรอันะนะีนะ้เนาะเรื่องราวในะชีวิตของเราก็เหมือนกันเหมือนเราป่วยแล้วใช่ไหมรักษาอาการเฉพาะหน้าก่อนนะเมื่อรักษาอาการเฉพาะหน้าได้แล้วตอนนี้ก็มาค้นหาสาเหตุของโรคใช่ไหอืมนะ ไหนหมอทุกคนเนี่ยถ้าเจอคนไม่สบายหนักๆเนี่ยจะทุกเราก็ยังไม่หาโรคแบบเฉพาะก่อนนะเราก็รักษาอาการเฉพาะหน้าก่อนถ้ามันจะใกล้จะตายใช่ไหมหายใจไม่ได้ก็ต้องใส่ท่อก่อนอ่าเป็นแผลก็ต้องรักษาแผลก่อน่พ อ, อรักษาอยู่ระดับหนึ่งแล้วค่อยมารักษาค่อยมาดูว่าเขาเป็นโรคอะไรคราวนี้ก็ค่อยมารักษาสาเหตุของโรคอีทีหนึ่งความทุกข์ก็เหมือนกันนะ เราเจออะไรก็แล้วแต่นะรักษาใจเราให้ปกติก่อนค่อยไปหาว่าเหตุของทุกข์มันคืออะไรต้องแก้แบบไห น, นค่อยมาจัดการทีหลังรักษาที่ปัจจุบันให้มันไม่ทุกข์ก่อนอันนี้เรื่องราวในชีวิตของเราก็ประมาณนี้แหละลองดูคือความจริงตอนนี่้ความแก่ความเจ็บความตายเนาะร่างกายเนี่ยเราหนีไม่พ้นโรงพยาบาลเองก็เหมือนกันนะ ทุกที่ก็เหมือนกันมันมีอะไรป่าพะเรียกว่ามีโลกกระทำโรครอริงนะที่โรงพยาบาลมีโรครลอเรือแต่อยู่กับโรคเนี่ยมีโรคกระทำโรคกระทำคือมีมันมีด้านบวกมันมีด้านลบง่ายง่ายมีคนสรรเสริญเรามีคนนินทามีคนนะมีความสุขมีความทุกข์นะมีได้ราบ มีเสื่อมราบนะมีได้ยศก็มีเสื่อมยศนะมันมีโลกธรรมนะเนี่ยสี่คู่นะด้านบวกแล้วก็ด้านลบอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีนะอยู่ที่วัดก็มีนะ <c oughs> บางคนเจอพระก็ศรัทธาบางคนเจอพระก็ไม่ศรัทธาก็มีนะบางคนนะนะเห็นพระก็กราบไหว้บางคนเห็นพระก็ดุดา่า <c oughs> ก็มีนะ ไม่มีใครหีคนนะใช่ไหมคนที่มีอํานาจมากที่สุดก็มีทั้งคนรักก็มีทั้งคนซงคนที่อ่มีคนเคารพมากที่สุดค่ะอย่างเช่นในเมืองไทยน่ะเช่นในหลวงก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนไม่รักก็มีแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันนะก็มีทั้งคนรักมีทั้งคนไม่รักกันเราจะให้ทุกคนรักเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ จะให้ทุกคนชมเราเป็นไปไม่ได้จะให้เราได้เจอแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีทั้งอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเนาะนั้นถ้าเกิดเรื่องราวันนี้ให้เรายอมรับเลยนะยอมรับความจริงแต่คราวนี้อะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยจะเรียกว่าเราเลือกไม่ได้เนาะเราจะไปบังคับให้เขาชมเรา ตอนหน้าก็อาจจะบางอาจจะได้แต่ต้าหลังก็าอาจจะไม่ชอบเขาก็นินทาเหมือนเดิมนั่นแหละนะฉะนั้นเราจะบังคับให้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือถ้าทีหลังจากที่เราเจอเรื่องราวสําคัญกว่านะอเราเลือกไม่ได้ที่เราจะไม่สบายเราเลือกไม่ได้ที่จะเจอคํานินทาเราเลือกไม่ได้ที่เราจะเจอกับปัญหานั่นนี่ แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเรามีท่าทีในการนะรับมือกับมันอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนที่ตรงนี้นะสอนท่าทีนะท่าทีในการรับมือในการวางใจแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาอันนี้ยคือสิ่งที่ที่สําคัญเรื่องกรรมเนี่ยคำว่าเรื่องกรรมคนทั่วไปไปโทษว่าเนี่ยทําไมเราต้องเจอสิ่งนั่นสิ่งนี้ไปคิดว่ากรรมคือสิ่งที่อดีตมันทําแล้วก็เราต้องเจอ แต่เรื่องกรรมพระพุทธเจ้าคือเรื่องปัจจุบัน <c oughs> เรื่องปัจจุบันนะคือเรื่องการรับมือนนะไม่ใช่เรื่องอดีตนะไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นกับเราแต่เรื่องกรรมที่พระเจ้าสอนกรรมคือการกระทำํำ <c oughs> เขาด่าเราเราเงียบ ง, งีเราสงบเราใจเย็นไว้ไม่ไปด่าเขาตอบเนี่ยคือกรรมที่เราทําได้นะแต่ถ้ า, เ, าเขาด่าเรานะแล้วเราก็เหมือน ก็ไม่พอใจแล้วก็กระทบก็เหมือนมันก็มันก็เกิดปัญหากันเนาะก็กระทบกันไปนะแต่ถ้าเขาด่ามาเรารู้ทันเราบกเขาไม่แบกความทุกข์นั้นเป็นเราเนี่ยมันก็ไม่ไม่เจ็บไม่ทุกข์ใช่มเหมือนคนคว่างก้อนหินใส่เราอ่ะเราจะอยู่เจให้มันถูกมแล้วถ้าเราเห็นนะเราก็หลกใช่ไหมอืมนี่ก็เหมือนกันนะถ้าคนด่าเราเราไม่เอามาเป็น ความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเราก็ไม่เจ็บไม่ทุกข์ด้วยเหมือนมีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะท่านท่านอยู่ที่ชนบุรีนะก็มีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆที่วัดแหละเขาก็ไม่ชอบท่านนะเพราะว่าเขาก็อยากจะได้ที่ดินของวัดอยากจะแบบยุคลำที่ของวัดเนาะก็ไม่พอใจตั้งแต่ท่านมาตั้งวัดน่ะแหละมีโยมมาถวายที่ท่านก็ไปบินธบาษ ท, ทุกเช้าก็ผ่านหน้าบ้านเขาแหละ บางวันเขาก็มาที่หน้าบ้านนะแทนที่จะใส่บาตรหมือนคนทั่วไปมาเลยมาด่าพระมาด่าว่ามาด่าว่าท่านเสียหายแหละ อ, อท่านก็เดินไปรับบาตรที่ในตลาดนะตามปกติขาตัดมาวันนั้นเขาก็มาด่าอีกธรรมาดาก่อนจะกลับเข้าวัดเนะี่ยท้าก็ให้ลูกศิษย์ส่วนท่านเดินกลับเข้าไปในวัดก่อนส่วนท่านก็เดินเข้าไปหาเขา เขาก็กําลังดา่าพาก็เดินเข้าไปหาลูกศิกก็บุ้นอยู่ว่าจะมีปัญหาพอจะตีท่านหรือเปล่าดูาท่านจะไปทําอะไรเขาหรือเปล่านะท่าจะโกรธเขาหรือเปล่านะลูกศิกก็ก็คํางวณเยอะท่านก็เดินไปหาคนที่ด่าท่านแล้วก็ไปจับแขนเขาก็ได้งว่าจะมีเรื่องละท่านก็ถามเขาว่ามึงดา่าใครมึงดา่าใคร คนที่ด่าก็บอกก็ด่ามึงนั่นแหล ะ, ะท่านก็บอกอ่ะดีละด่ามึงอ่ะดีละอย่ามาด่ากูแล้วกัน <c oughs> ท่านไม่คิดว่าคําด่ามันเป็นด่าตัวเรานะอเขาบอกก็ด่ามึงนั่นแหละอ่าแต่ท่านไม่รับว่ามึงนั่งถือตัวท่านด่ามึงก็ดีละไม่อย่ามาด่ากูแล้วกันนะท่านไม่เอาตัวกูตัวของเราไปเป็นรับคําด่าเพรท่าน พูดแบบนี้นะก็เดินกับบัานไปไอ้คนด่าก็งงก็ว่าด่ามุนทำไมไม่เห็นทุกขไไ์ไม่เห็นโกรธนะไอ้คนที่ด่านะพอเขาไม่โกรธเขาไม่ทุกข์ยิ่งทุกข์หนักกว่าเก่าใช่ไหมเพราะเขาไม่รับเนี่แหละคนที่มีมีสติจะมีท่าทีในการรับมือตรง น, นี้ยนะคําด่านะเป็นคําที่เขาเอามาให้เอามาให้ท่านแต่ท่านไม่รับนะมันก็ย้อนสมาหาัส คนที่ด่านั่นแหละเรื่องราวในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามี ส, สติเรารู้เท่าทันเนะ่ะเราก็เพียงแค่อ่าไม่รับนะไม่รับมาเป็นของของเรานะมันก็จะอยู่แบบนั้นของมันนั่นแหละอเหมือนก้อนหินนะมันก็อยู่ตรงนั้นเราไม่ไปแบกบมันก็ไม่ทุกข์ปัญหาก็เหมือนกันนะอ่าปัญหานะถ้าเราไม่แบกนะมันก็ไม่ทุกข์ แต่พูดว่าไม่แบกเนี่ยไม่ใช่ไม่แก้นะแก้ปัญหาก็แก้ไปนะแต่ก็อย่าไปแบกมันมากินข้าวด้วยอย่าไปแบกไปนอนด้วยอย่าไปแบกไว้ถ้าปัญหาอยู่ที่ที่ทำงานก็อย่าแบกปัญหาขึ้นรถกลับไปบ้านด้วยนะถ้าปัญหาอยู่ที่บ้านก็อย่าแบกปัญหามาที่ทำงานด้วยเราก็มีปัญหาตรงไหนเราก็แก้ที่ตรงนั้นใช่มก็อย่าไปแบก ไปตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนปัญหาเราก็ใช้สติปัญญาแก้ไขแต่ปัญหาบางอย่างก็แก้ได้ปัญหาบางอย่างก็แก้ไม่ได้เหมือนกับโรคใช่โรคบางอย่างก็รักษาได้โรคบางอย่างก็รักษาไม่ได้โรคง่ายๆโรคหวัดโรคอะไรทีก็รักษาได้โรค ย, ยากๆหลายโรค ก, ก็รักษาไม่ได้ปัญหาก็เหมือนกันเราก็ทาหน้าที่เหมือนเรารักษาโรคนั่นแหละ น, นี้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็รักษาไปตามอาการไป mm. ใช่ไหมปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันอยู่กับคู่โลคนะบางคนแล้วการแก้ปัญหาอย่างไม่ทุกใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญบางคนเนี่ยหลายๆคนเป็นคนดีมากมาว่าพวกเราหลายคนก็เป็นคนดีอยากจะช่วยเหลือคนไขนะ้หรือว่าเราเจอคนที่ประสบกับความปุ๊บเราก็อยากจะช่วยเหลือหรือ แต่แต่ก่อนจะมาก่อนบวชก็สนใจพวกงานพวกพัฒนาชุมชนพวกพัฒนาอยากจะให้โลคมันดีๆนะแต่เราก็คนชี้เราก็ทํามาเห็นคนทํางานนี้เหมือนงานเราก็ว่างานก็มีประโยชน์มากงานก็ดีมากแต่ทําไมเขาเครียดเหลือเกินเขาทุกข์เหลือเกินเพราะส่วนใหญ่ทํางานไปด้วยแล้วก็แบกลกไปด้วยแบกปัญหาไปด้วยนะ มันไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดก็กุ้มใจนะไปเรียกร้องคนอื่นทำก็ไม่ทำตามก็ทุกข์ใจอ้งนั้นที่จริงนะเราก็เพียงแค่ทำหน้าที่แต่เราอย่าไปแบบเขานะมันเราก็รักษาไปมันได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปอย่าไปเครียดกับมันมากนะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะพระอาจารย์เปสารเจ้าวาดวัดที่มาโยนเขาบอกว่า ให้เราทําหน้าที่ให้เต็มที่นะแต่อย่าตีเรียส <c oughs> หน้าที่ภายนอกเราต้องทําเต็มที่นะไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยแล้วก็บอกว่าอืปล่อยวางไม่ใช่นะหน้าที่เรามีอะไรเราก็ต้องทําให้เต็มที่แต่ใจอย่าตีเรียสนะนี่คือหลักสำคัญ น, นะทางกายทางภายนอก เ, เราทําเต็มที่แต่ทางใจเนี่ยเราอย่าเครียดนะรู้จัก ยอมรับความจริงรู้จักปล่อยวางต้องทำสองอย่างคู่ไปพอไม่งั้นครับคนดีนะทําหน้าที่แต่เครียดแต่ทุกนะหลายคนเป็นคนดีนะหรือเราทําหน้าที่แต่หลายอย่างแต่เราปล่อยวางไม่ได้เราก็ทุกเป็นแม่ดูแลลูกอย่างดีแต่บางทีลูกอาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างเขาไม่ดีหรือเขาเป็นอะไรมไหมเราก็ไปยึดเขาไว้เราก็ทุกเพราะหน้าที่ความเป็นแม่ เราเป็นเพื่อนอยาจะช่วยเพื่อนนะบางทีเพื่อนกุ้มใจเรากุ้มตามฟังไหมบางทีพาติสนะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมสุขเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมนะจะมีพาติส์ต่างกันแบบให้เป็นเพื่อนร่วมสุขเสพสุขร่วมกันแต่ไม่แต่ไม่ร่วมทุกข์ด้วยคำว่าไม่ร่วมทุกข์ไม่ใช่หนีนะ เพนทุกขก็หนีไม่ใช่คำว่าไม่ร่วมทุกข์ก็คือว่าเช่นเขามีความทุกข์เขามีปัญหาเราอย่าไปทุกข์ตามเขาเพราะถ้าเราทุกข์ตามเขาเราจะช่วยเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาทุกข์มาแล้วเราก็ทุกข์ตามไปด้วยเนี่ยเหมืนอมนปลอดคอกระจมน้ําตายช่วยกันไม่ได้นะถ้าเขาทุกข์เราต้องไม่ทุกข์เราถึงจะช่วยคนที่ทุกข์ได้ใช่ไหมเหมือนเราไม่สาบายอะหมอไม่สาบายเ น, น, นี่ยมารักษาคนปัวยได้ไหม ตัวเองก็นอนจะไม่สบายก็มารักษาคนป่วยก็ไม่ได้นะเราเองก็ต้องรักษาตัวเองให้สบายแข็งแรงถึงมาช่วยคนป่วยได้ใช่ไหมคนที่เราเกี่ยวข้องก็เหมือนกันเขามีความทุกข์เราก็รับฟังช่วยเขาเราอย่าไปทุกข์ตามเขาเราจะได้แก้ปัญหาเขาได้ช่วยเขาแก้ปัญหาได้ใช่ไหมนั่นที่จริงแต่ถ้าตอนที่เขาสุขอ่ะเราก็สุขด้วยกับเขายินดีพอใจชื่นชมสรรเสริญเขาไป เป็นเพื่อนร่วมสุขแต่อย่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ <c oughs> นะ่ยบางทีเนีนะ่ยเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนเนาะโดยหน้าที่จะหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่อย่าไปทุกข์อย่าไปแบกไว้นะนี่แหละคือการทําหน้าที่ของเราเราจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้เราต้องสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ทันตัวเราอนะเพราะถ้าเราไม่รู้ทันเน่ะ เรารู้แต่ทิดเสียดีนะแต่พอถึงจริงๆแล้วมันมันจะดืมตัวอย่างพระเองเดียนมาสูงรู้พระไตรปิฎกด้อ่านธรรมะได้ฟังธรรมะมาเยอะแต่ถ้ามันไม่มีสติเน่ะมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอ่านมาเคยเจอปรเรียนมหาประโยคเก้านะ บวชตั้งแต่เป็นเรเรียนจบประโยคเก้าแต่ตอนหลังเขาบอกเขาก็ดา่าติดขาไปนไปทํางานที่แถวอที่สนามบินสุวรรณภูมิวันครั้งหนึ่งเขาเคยมารับมาส่งไปสนามบินเขาก็เล่าให้ฟังบอกตอนเรียนเรียนบาดีนะเรียนพระไตปิฎกเนะี่งเรียนมาเยอะเลยดู้ธรรมะแต่ไม่เข้าใจธรรมะดูดู ว่าพระพุจะเจ้าสอนว่าอะไรแต่พอออกมามีครอบครัวออกมาทํางานนะบอกเออเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นเข้าใจว่าอะไรอืม๋อความทุกข์มันเป็นแบบนี้เนาะแต่ก่อนนะได้ยินคําว่าทุกข์แต่ไม่เคยประสบคาว่าทุกข์มันก็เลยไม่เข้าใจความทุกข์แต่พอมาเจอความทุกข์ อันนี้เอาสิ่งที่เรียนเอามาใช้แก้ปัญหาความทุกข์ก็เลยเริ่มเข้าใจอฟามทุกข์มากขึ้นแก้ปัญหาตัวเองได้มากขึ้นมันเหมือนก็เอามาใช้มากขึ้นนะอ่าแต่เราไม่ต้องรอแบบนั้นก็ได้นะเะนั้นที่จริงสาคัญจริงคือมีสติรู้เท่าทันนะ่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะไม่จมเข้าไปนะคือเราสม พอเราเจออะไรกระทบเนาะถ้าเรารู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเราจะไม่ถูกสิ่งที่กระทบมันยั่วยวนไปนะ่สิ่งก็สิ่งที่กระทบเนี่ยอย่างที่ว่าเราเลือกไม่ได้นะคนจะนินทาเราก็เลือกไม่ได้คนจะสรรเสริญเราก็เลือกไม่ได้นะเรื่องราวที่ดีเราก็เลือกไม่ได้เรื่องราวที่ไม่ดีนะเราก็เลือกไม่ได้นะจริงๆทุกคนก็เจอพัดก็เจอ คนมีอำนาจขนาดไหนก็เจอคนรวยก็เจอคนจนก็เจอไม่มีใครไม่เจอนะแต่ณที่จริงเราทำบุญก็ดีเราเป็นคนดีก็ดีหรือว่าเราทำหน้าที่อะไรก็ดีมันเจออยู่แล้วบางคนคิดว่าทำบุญแล้วไม่อยากเจอไม่อยากเจอปัญหาชีวิตทำบุญแล้วอยากจะให้ชีวิตราบรื่นตลอด ทำบุญแล้วจะต้องร่ำรวยจะต้องมีแต่ความสุขอันนั้นจะไม่ใช่จริงๆนะไม่ใช่ความจริงที่จริงนะถ้าคนที่ใจบุญคืออะไรใจบุญคือใจดีใจดีก็คืออะไรถ้าใจเราดีเราก็ไม่ไปว่าเขาไม่ไปทาร้ายเขาเขาว่าเราเราใจดีเราจะเย็นก็เหมือน เขาเป็นไฟเข้ามาเราเป็นน้ําน้ําก็ช่วยดับไฟอ่าไม่ให้น้ําติดไฟเะ น, นั้นยังไม่ได้ใจเย็นจริงๆน ะ, ะน้ําต้องช่วยดับไฟคนใจเย็นจะช่วยให้คนที่ใจร้อนเขาเย็นลงมาได้เพราะเราช่วยดับความทุกข์เขานะอันนี้คือใจบุญคือใจเย็นคือใจดีคือแบบนี้ทำบุญก็คือทํำให้ใจเราเย็นใจเราดีใจเราสงบ เมื่อใจเราดีใจเราเย็นเราสงบเราก็ไปช่วยคนอื่นได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้าใจเราร้อนมันก็จะถูกไฟมันติดเชื้อเข้าไปในใจของเราเราก็จะเป็นทุกขนะนั้นการมีสติคือการที่เรารู้เท่าทันนะแล้วก็เปลี่ยนนะคนทั่วไปนะทุกๆคนนะ่แหละมันก็ต้องมีเชื้อนะมีความโกรธมีความโลภมีความหลง มีกันทุกคนถ้าไม่ใช่พระอรหันต์กู้ตรงๆนะน่ะเป็นพระก็ต้องมีเป็นแม่ชีก็มีน่ ะ, ะจะเป็นใครก็มีนะเป็นคนแก่ก็เป็นเป็นเด็กก็เป็นเป็นกันทุกคนนะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่เข้าทันมันอนะ่ะมันจะถูกเพราะนั้นครอบงาใจนะครอบงาใจแต่ถ้าเรามีสตินะ เราจะกลายเป็นผู้เห็นมันจะต่างกันเห็นอ๋อเห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นความพอใจเกิดขึ้นเห็นความง่วงเกิดขึ้นเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอันนี้ถ้าเราเป็นผู้เห็นนะเราก็จะดูอยู่เฉยๆได้ นั้นการปฏิบัติธรรมหรือการเข้าใจความจริงเฉๆนะเราจะแค่เห็นเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตนี้แหละนะเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นถ้าเราเป็นผู้แค่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่กระทบหัวใจมันก็มันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราเห็นเฉยๆนะมันก็จะไม่มีค่ามันก็จะตกไปได้ง่าย แต่ถ้าเรารับมาเป็นของเราเนี่ยเราก็จะทุกข์เราก็จะสุขวันไหวไปเรื่อยในั้นที่จริงนะคนที่จิตใจเข้มแข็งคืออะไรจิตใจเข้มแข็งก็คือเหมือนกับต้นไม้ที่มันต โ, ตโตโตเนาะอ่ารากมันยังรึกลมจะพัดแรงขนาดไหนมันก็ไม่ล้มเพราะมันเข้มแข็งคือแบบนั้นแหละแต่ถ้าต้นไม้ที่รากแก้วมันไม่มีหรือว่ามันอ่อน ลมมาพัดคนมาโยกมันก็มันก็ไหวมันก็เอ็งต้นไมใ้ใหญ่ๆนะคนมาผักคนมาถีบก็มไม่เป็นไรไมีแด่คนถีบแล้วก็เด็นออกไปใช่ไมืมจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าจิตใจเราเส้นแข็งอะไรจะเกิดขึ้นมาบางครั้งมันกําลังโตเมือนยังไหวอยู่แต่มันไหวแล้วให้เรากลับมาให้ได้นะกลับมากลับมาอยู่กับตรงไหนครับ เราไม่เคยฝึกเราก็ต้องฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือเราทำอะไรก็ให้ใจเรากลับมาอยู่กับตรงนั้นกรรมาฐานก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นอย่า น, นี้แหละถามว่าจะมีสติในชีวิตเฉยๆได้หรือเปล่ามันก็ยากถ้าคนไม่เคยฝึกจะกลับมันจะไม่มีที่กลับคล้ายๆเหมือนเราไม่มีบ้านนะ เราอยากจะนอนเราจะไปหาทุกที่นอนที่นั่นที่นี่มันก็ไม่ได้นะเราง่วงนอนเราต้องการพักผ่อนเราก็ต้องกลับบ้านกลับห้องใช่ไหมเพราะที่ห้องเรามีที่พักเรามีที่หลบฝนที่ที่หลบแดดคนที่ไม่มีกรรมฐานเลยบางทีจะไปหาหลบตามต้นไม้ที่นั่นที่นี่บางทีก็ไม่ใช่จะหลบได้ตลอดเวลาใช่ไหมดงนั้นกรรมฐานจริงๆเราก็มีอยู่แล้วเพราะกรรมฐานจริงๆคือ ร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่กลับมานาะเราเดินก็ให้เรากลับมาอยู่รู้ตัวว่าเรากําลังเดินอยู่เราทานข้าวนะวางเรื่องราวต่างๆก่อนวางเรื่องคนไข่วางเรื่องอะไรไว้ก่อนให้กลับมารู้ว่าเรากําลังทานข้าวอยู่เนาะไม่ใช่คิดว่าเรากําลังทานข้าวนะคือกลับมารู้คือ รู้ตัวว่ากาลังเคี้ยวข้าวรู้ตัวว่ากาลังคืนนะรู้ตัวว่ากำลังตัก <Yeah. S 1> เราทำอะไรก็เหมือนกันเรากลับมารู้ตัวันะบมาดูตัวว่ากาลังทำอะไรอยู่อันนี้คือกรรมฐานนะหรือเอาง่ายๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ได้หรือว่าบางๆนะนั่งทิกมืออย่างจะมาก็ถนัดกรรมฐาน เอาอาศัยกายที่เคลื่อนไหวแต่ก่อนเราคี่ว่ากรรมฐานเราต้องไปนั่งหลับตาต้องไปอยู่ที่วัดป่าออแต่พอได้ฝึกแบบนี้นะก็เหลวงพ่อท่านสอนให้อาศัยการเคลื่อนไหวให้เป็นที่อยู่ของใจทิศมือป้อมือแต่ก่อนอาจามาก็นั่งหลับตาทำสมาธินะ แต่พอไปอยู่ที่วัดปากสุก โ, โตนะเห็นเพื่อนพาท่านทำแบบนี้นักศึกษาบางคนหมอบางคนอาจจะเองไม่เคยนะทำแบบนี้อืมยกมือก็เกิดความสงสัยทำทำไมเขาปกติหรือเปล่ามานะทำแบบนี้นะมีด้วยเหรอ สมฐานวิธีปฏิบัติธรรมทางแบบนี้เกิดความสงสัยเยอะแยะมากมายแต่พอได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อเทียนะแล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อคําเขียนท่านสอนท่านสอนว่าเนี่ยพระพุณเจ้าก็สอนว่าให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวเวลาเราเคลื่อนไหวเวลาเราเคลื่อนไหวให้เร า, ใ ห, เราให้ใจ รู้สึกตัวอยู่กับการที่เรากำลังทำอะไรอยู่ยกมือก็รู้ตัวเอามือออกก็รู้ตัววางมือลงก็รู้ตัวก่ำลงก็รู้ตัวพลิกก็รู้ยกขึ้นก็รู้วางก็รู้คำว่ารู้ตัวก็คือว่าใจรู้ว่ากายกำลังทำอะไรคำว่ารู้ตัว อันนี้คือเบื้องต้นแต่พอทําแบบนี้เรื่อยๆต่อไปไม่คิดว่ากรรมาฐานมันจะอยู่ในชีวิตต่อได้แต่ก่อนเคยดูลมหายใจจะดูลมหายใจได้แต่เฉพาะตอนนั่งนิ่งๆแต่พอไปทําอย่างอื่นเน่ะมันดูลมไม่ได้เลยเคยนะเคยฝึกตอนเป็นนักศึกษาพอกลับมาเรียนก็ดูลมไม่ได้เลยเพราะเราต้องเดินข้ามถนนเร็วๆวนะอ่าเราต้องเรียนหนังสือเราต้องทํานั่นทํานี่ มันก็ทํากรรมาฐานไม่ได้แต่พอมาทําวิธีนี้นี่สูตัวอาบน้ําก็มีการเคลื่อนไหวนี่ว่ะอืมกวาดที่วัดนะกวา ด, ดานวัดอืมกวาดมันก็มีการโยกนะอ่าไม้กวาดันใหญ่ๆนะกวาดนะแล้วเราก็มีสติกับการเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะเอมอ ม, มันก็ได้เหมือนกันนะตักข้าอืม <c oughs> ก็คือการเคลื่อนไหวแต่แต่ก่อนน่ะเราก็ทำแบบทำให้มันเสร็จๆไปนะไอ้คนนีน้เรามองว่ามันเป็นงานที่เหมือนไม่มีไม่ไม่ได้เงินงานที่แบบเป็นกิจวัตรที่ต้องทำก็ทำให้มันเสร็จๆก็พอแต่ถ้าเรามองดีๆนะไอ้งานตันี้แหละมันเป็นโอกาสให้เราได้มีสตินะเพราะอะไรมันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเลยแต่มา ที่ชัดชาใจ น, นะแต่ก่อนเนี่ยเรารู้สึกอย่างแปลงฟันเนี่ยขี้เกียจแปลงนะวันละสองรอบเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยขี้เกียจมากนะแปลงแบบสัต์แต่ว่าแปลงอะนะให้มันเสร็จๆไปเพราะอะไรเราแปลงไปแล้วก็หาเรื่องคิดนั่นนี่ไปแปลงให้มันเสร็จๆไปแต่พอเอาจริงเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรากําลังแปลงเราแบบอยากทงให้เสร็จๆแต่จริงถ้าเรามีสติแปลงไปมันก็สนุกนะ เห็นเห็นร่างกายเรามันเคลื่อนไหวนะมันมีทั้งความพอใจที่ได้ทำมีความสนุกแล้วก็มันก็มีความสุขที่ได้ทำฝอบสะอาดร่างกายไปด้วยนะกินข้าวก็เหมือนกันนะแต่ก่อนกินไปก็หาเรื่องคิดนะหรือกินไปก็วิาพากษ์วิจารณ์ใช่อันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยนะหรือบางทีกินข้าวคาบนี้นะไปคิดว่าตอน เย็นจะไปกินที่ไหนดีใช่ไหมใ <c ười> คือเรากินอยู่ตรงนี้แต่ใจเราไม่ค่อยอยู่นะอยากไปคิดอะไรที่มันดีกว่านี้นี่อันนี้คือใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ถ้ากินข้าวอยังมีส ต, ตินะมันก็รู้สึกว่าอะไรมันก็มันก็กินได้แล้วก็รสชาติมันก็ดีกว่าเก่าข้าวเหนียวนะลาบินทบาทนะบางครั้ง เคยไปทุ ด, ดง d o นะได้แต่ข้าวเหนียวเฉยๆกินอย่างมีสติก็อร่อย <c oughs> บางครั้งได้ข้าวเหนียวกับกล้วยก็กินข้าวเหนียวกับกล้วยก็อร่อย น, <c oughs> น้ําๆๆเปล่าเฉยๆนี่ก็อร่อย <c oughs> เรากินอย่างออย่างมีสติมันก็อร่อยแต่หลายคนไปกินข้าวในร้านอาหารอ่าเยน็นๆนะ ในร้านอาหารที่แพงๆแต่บางทีถ้าเราเครียดนะ่ะกินอร่อยไหม <c oughs> ใช่ไหมต้องคนมีอาหารเต็มโต๊ะ้นะแต่ไม่อยากกินก็มันใจมันเครียดใจมันทุกข์ไหมมีที่นอนดีดีห้องนอนก็เป็นห้องแอร์แต่นอนไม่หลับก็ <c oughs> ใช่ไหมมันก็มีเยอะมากนะเพราะใจมันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราลองฝึกแบบนี้ยฝึกง่าย มาก็ทําแบบเนี้ยรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวในรูปแบบน่ะปีกนึง่งงายปิกหนึ่งคว่ำหรือบางทีก็ยกสิบสี่จังหวะหรือบางทีก็เดินเดินจงกรมกลับไปกลับมาเดินให้เรารู้ตัวว่าเรากระดมเดินอยู่แต่บางทีมันไม่กร๊้ตัวตลอดนะบางทีมันคิดทําไปอย่างเนี้ยนะ ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ่ะปรุงแต่งสารพัดนะ่ะเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตนะ่ะหรือบางทีก็คิดเองที่เกิดในปัจจุบันนั่นแหละนะตามองเห็นก็เดินอยู่ตรงนี้ก็จริงนะแต่ใจเราไปมองเขาหรือเรานั่ง่ยเคยไหมนั่งเหมือนเราจะนั่งกินข้าวเรานั่งอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มีคนพูดอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราสนใจเรื่องเขาที่เขาพูดละเนี่ยคือเราทํา แต่เราไม่ได้เสียใจนะเฉพอทำอย่างนี้นมันก็ไม่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่คิดหรอกนะเราห้ามไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเรียกสติเรากลับมาเนะเราจะให้แบบว่าเรานิ่งเฉยๆไม่มีหรอกไม่มีใครนิ่งเฉยๆเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันก็คิดนั่งคิดนี่ด้วยธรรมชาตินะมันกับเด็กอะ่ะเราจะบอกว่า เราจะตั้งให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใช่เด็กจริงๆนะจะเป็นเด็กที่ตายสินัไมถ้ามันนิ่งอพระเจ้าก็เลยบอกบางครั้งท่านเปรียบเี่ว่าธรรมชาติของจิตมันเหมือนกับวิ่งมันไม่อยู่นิ่งมันก็เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ช้ำเดี๋ยวก็สุขเดียเด๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไปนั่นไปนี่นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเราต้องยอมรับกันนะธรรมชาติของจิตมันเป็นแบบนั้น <S <S <S นั้นที่จริง การมีธรรมะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เราไปจัดการจิตใจไม่ใช่ไปจัดการเด็กแต่เราเป็นผู้ดูเขาเป็นผู้ดูนะเห็นเขาคิดเห็นเขาสุขเห็นเขาทุกข์ถ้าเราแค่เห็นเฉยๆนะมันจะมันจะเปลี่ยนของมันเองนะถ้าเรามีสติเห็นจริงๆนะ่ะมันเหมือนมันเหมือนอ่า เมื่อมันเกิดความพุกขึ้นในใจสติมันเห็นน่ะมันจะเหมือนน้ําที่มันดับไปของมันเองนะมันจะมันจะเห็นความโฟดที่มันตกไปของมันหรือถ้าเราคิดขึ้นมานะที่จริงความคิดกับสติอ่ะคล้ายๆเหมือนกับคันเร่งกับเบรกของรถนะเราใช้แต่เท้าขวานะเหยียบถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยคันเร่งเราใช้เท้าขวามาเหยียบเบรกแล้ มันก็จะชะลอความเร็วแล้วก็หยุดได้สติกับความคิดกับความโกรธก็เหมือนกันเมื่อไหรที่จิตเรามีสติมันก็จะเบรกนะบางทีอาจจะไม่หยุดทันทีต้องใช้เวลาบ้างก็บกบกบกเ <c ười> บรกไป บ, อบอ่อยอ่ะเบรกไปบ่อยบางทีความอยากนะนะมันเกิดขึ้นมามันคิดแล้วคิดเล่านะแล้วก็แค่รู้ทันบอ่อยๆรู้ทันบอ่อยๆรู้ทันบอ่อยๆความอยากก็จะค่อยลดไฟแล้วก็ดับไปได้อันนี้คือ เริ่มต้นเนี่ยธนาก็ใช้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่อไปมันก็จะรู้สึกตัวกับการทำงานทำการอย่างอื่นไปด้วยนะแล้วก็รู้ละเอียดขึ้นหายใจก็รู้กระพริบตาก็รู้นะทำการทำงานอย่างอื่นมันก็จะค่อยคอ ย, คยรู้ไปเรื่อยๆไนมะ่ไม่ว่า ไ, ไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหมดหอกแตนมันแค่ รู้มากขึ้นนะฮะดูมากขึ้ น, นต่อไปคราวนี้ไอ้ที่เห็นยากแล้วก็ถูกหลอกมาซะเยอะคือคือจิตใจเนี่ยแหละะจิตใจมันคือสิ่งที่ละเอียดขึ้นต่อไปเราก็จะเห็นจิตใจรู้เท่าทันจิตใจไม่ไปทุกข้อเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตใจมันก็จะเห็นนะอเห็นเป็นเพียงแค่อาการของจิตอไม่ใช่เราอันนี้นี่คือ คือธรรมะนะมันจะค่อยๆพัฒนาไปแล้วเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ถ้าเรามีสตินะความทุกข์มันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ใจนะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สึกตัวนะเนะี่ยมันก็จะทําชีวิตของเรามันคล้ายๆยืนเหนือนะคล้ายๆเหมือนเราฝึกว่ายน้ําอ่ะแต่ก่อนก่อนจะว่ายน้ำเป็นก็ต้องจมน้ำ แต่พอว่ายน้ำเป็นมันก็มันก็ลอยได้เนาะมันก็ไปถึงฝั่งได้นั้นชีวิตเนาะนะเราจะอยู่ที่นี่นะเราก็ให้พิจรารณาความจริงตัวนี้แหละเนาะความจริงของด้านตายที่เราหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายนะความจริงที่เราอยู่กับโลกนี้แล้วก็หนีไม่พ้นคืออะไรคือโลกธรรมแป่งการเราหนีไม่พ้น แต่อยากให้เราได้อยู่กับโลกคล้ายๆเป็นเรืออยู่ในท้องทะเลอยู่ในแม่น้าําก็ให้มันลอยให้มันได้ถ้า <c oughs> เราประคองไม่ดีมันก็จะชิคค้อมจบไปเนาะ <c oughs> เราอยู่กับโลกก็อยู่ให้มันแบบนี้มีเป็นศิลปะอยู่กับมันให้ได้ <c oughs> เรื่องราวต่างๆในชีวิตก็ให้เราใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาไปเนาะ ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมอันนี้จะเป็นตัวทำให้ชีวิตของเรามันมันจะเข้าใจว่าอ้อที่จริงความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้นั่นได้นี่สึงจะเป็นความสุขหรือความสุขคือเราต้องไปเจอกับปัญหาก็ไม่ใช่แต่จริงความสุขจริงๆคือเรามีจิตใจที่สงบได้เรามีจิตใจที่เย็นได้นะ อันนี้ยคือสิ่งที่เราทําได้นะข้างนอกเขาจะร้อนเป็นเรื่องของเขาแต่ใจเราเย็นเนี่ยเราทําได้ข้ <c oughs> างนอกเขาจะมีปัญหาบางทีเราแก้ไม่ได้แต่เราทําใจให้สงบดูเท่าทันปัญหาไม่เข้าไปแบกไว้อันนี้ยคือสิ่งที่เราทําได้พระเจ้าสอนตรงนี้นะสอนสิ่งที่เราทําได้ไม่ได้ไปสอนสิ่งที่เราทําไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้ยังไงพระเจ้าไม่ใช่บอกว่า ต้องไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นต้องไปแก้ปัญหาสังคมต้องไปแก้ปัญหาโลกให้มันหายหรือแม้แต่โครคไฟก็เจ็บนะทั้งหอกต้นต็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่ไปมุ่งเน้นเพง น, นั้นคือไม่ใช่ไปเน้นรักษาโรคไฟใคใ่เจ็บให้มันหายไปจากโลกนี้มันทำไม่ได้แต่ท่านบอกว่าก็ร่างกายก็รักษาไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ให้ใจให้เรารักษาใจเราให้มันเป็นปกติไว หน้าที่ต่างๆก็ต้องทําหน้าที่ไปแต่ต้องทําหน้าที่อย่างไม่พุกข์ทาเสร็จทุกวันทําเสร็จทุกวั น, นะหลวงพ่อพุทธทาส ต, นะตอนท่านก่อสร้างอะไรเนะี่ยบ้าจะมีคนไปถามท่านลงมหาหอกระสบททางวิญ ญ, ญาณเมื่อไหรจะเสร็จกําหนด ก, การจะเสร็จตอนไหนหลวงพ่อท่านก็จะตอว่าเสร็จทุกวันเสร็จทุกวัน่ะคนที่มีธรรมะนะเสร็จทุกวันคืออะไร ท่าน้นทําทวันนี้เสร็จท่านก็กลับไปนอนหลับสบายไ <c oughs> ม่แย่แยกว่าพรุ่งนี้เอจะมีคนมาช่วยทำหรือเปล่าจะมีเงินมาต่อส้างหรือเปล่านะท่านบอกก็เสร็จทุกวันนะเสร็จเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเหมือนหน้าที่การ ง, งานเราอะถ้าเราบอกเสร็จทุกวันนะ่นะะมันก็จบนะพรุ่งนี้ก็ค่อยมาทําใหม่นะถ้าโดยทางโลกมันก็ไม่ได้เสร็จจริงๆหรอกแต่โดยทางทำเนี่ยติตใจระวางทุกวัน ผู้เสร็จนะก็เสร็จหน้าที่เราแล้วช่วยเสร็จนะให้เขากินยาเสร็จนะก็หมดหน้าที่เราละต่อไปมันเป็นเรื่องยาที่มันไปรักษาเองนะเราเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้ทําการทํางานก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกวางใจนะมันจะไม่แบกบแล้วคนที่ไม่แบกบงานเนี่ยกับยิ่งทํางานได้เยอะใช่ไหมอืมเพราะเรารู้สึกทําเสร็จแล้วก็วางเหมือนมือเรานาะทําอะไรก็เหมือนกันทําแล้วก็วาง แต่ถ้าเราทําวันนี้ด้วยนะหยิบนี้ด้วยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกนะมันเต็มมันหนักเลยวันนี้วัสมินหนักทําะมันเครียดก็เราแบกบเรื่องเราต่างนิดเยอะเลยแต่ถ้าเราทําทําแล้วก็วางทําแล้วก็วางมันก็จะอาจจะหนักอาจะเหนื่อยแค่กายเนาะแต่กายพักผ่อนก็หายนะกินข้าวก็มีแรงขึ้นมาแต่ถ้าเราต้องทุกกายต้องทุกใจเนาะโอ้มัน นอนก็ไม่นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอมันก้สฝึกเหนื่อยขนาดมีแรงเต็มที่นะแต่ก็ไม่อยากมาทำงานเพราะมองเป็นปัญหาแต่ถ้าเราวางนะเราก็จะมีแรงมาแก้ปัญหามีแรงมาทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดคือต้องต้องปลุกตัวเองแบบนี้เนาะอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้เนาะให้ให้พวกเราไปใช้ใน ชีวิตของเราเนาะถ้าเราเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตของเราชีวิตเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอกับปัญหาเราจะไม่เจอกับความทุกข์แต่เราจะเปลี่ยนว่าที่จริงปัญหามันก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ใจเออความทุกข์กายก็ส่วนหนึ่งแต่เราจะไม่แบกบ ปัญหาต่างๆมันเป็นความทุกข์ใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้อเมื่อเปลี่ยนตรงนี้เราจะพบว่าชีวิตเราอมันเบามันสบายขึ้นอมันมีความสุขมากขึ้นอแม้ทํางานหนักเหมือนเดิมนะหรือบางทีมากกว่าเดิมแต่รู้สึกใจมันมีความสุขใจมันเบาใจมันสบายจะเจออะไรก็อืก็อยู่ได้ในชีวิตนี้มันจะเปลี่ยนตรงนี้เมื่อเราเปลี่ยน เราจะเป็นเหมือนที่ว่าเราจะเป็นเหมือนน้ําเราจะใจเย็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่เขาจะค่อยๆเปลีย น, นเขาจะสัมผัสเราได้นะถ้าใจเราเย็นใจเราสงบเนะี่ยคนอยู่ใกล้เขาก็ร้อนๆมาเนะี่ยมาใกล้ความเย็นนะ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะค่อยๆลดลงไปหรือเขาจะมากระทบเราไม่ไปกระทบตัวเขาเนะี่ยเขาก็จะหยุดแต่คน โกรธกันทะเลาะกันเพราะอะไรด่ากันไปด่ากันมาด่าแล้วไม่พอก็ทําร้ายกันต่อแต่คนหนึ่งด่าคนหนึ่งสงบมันด่าได้ไม่นานดอกเดี๋ยวก็ขี้เกียจด่านะแล้วเขาก็เลิกด่าไปนะหรือบางทีเขาได้สะดุดว่าเขาปวดอยู่เขาก็จะได้สงบไปทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองคนใกล้ๆตัวเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนดอก คนแต่และคนก็ก็ก็มีเหตุมีปัจจัยของเขานะแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นั่นแหล ะ, ะแต่มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยช่วยให้คนอื่นเขาเขามีความสุขมากขึ้นเมือนเราเป็นหมอเป็นพทยาบาล น, นะสังเกตไหมวันไหนเรายิ้มแย้มวันไหนเราสดชื่นนะคนไข้ก็สดชื่นตามไปด้วยนะใช่ไหมเรารัทธ์ตาเข า, เ, ขาเรายิ้มเรามองตาเขาบ้างนะ เราเอาใจาใส่ถามเขาไม่ใช่แต่เรื่องอาการของโรคนะถามคุณป้าเป็นยังไงตั้งบนใจอะไรไม่มกลัวอะไรไหมเกรียดอะไรไหมบางทีคนไข้นะแค่หมอถามเนี่ยเขาก็สบายใจแล้วนะแค่พยาบาลไปถามเนี่ยเขาก็สบายใจแล้วมันเหมือนเรื่องรับที่แบบไม่กล้าจะพูดก็ได้พูดออกมาก็สบายใจนะเนี่ย บางทีเอตัวสบายใจเนี่ยมันก็เป็นยาไปรักษาโรคทางกายของเขาไปด้วยนี่ช่วยนะนั้นเรารักษาคนป่วยถ้าเรามีความสุขค น, นป่วยก็หายที่จริงอย่างโบราณ น, นะไม่ใช่คือเรื่องงมงาย น, นะสยศาสตร์ต่างๆไทยต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆให้พระมาทำน้ำมน ต, ต์ูกส า, ายสินสวดคาถาต่างๆพอคนป่วยเพราะทุกข์ใจพราะเขามาเชื่อแบบนี้รามีคนมาช่วยเขา เขาเลิกทุกข์ใจก็าหายป่วเองจริงๆไสยศาสตรไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องลึกลับหรอกมันเป็นเรื่องศาสตร์ทางใจนะทําให้สบายใจพอเขาสบายใจโรคหลายๆอย่างก็หายไปเองบางทีเราอยู่โรงพยาบาลหรือแผนปัจจัยบางทีไปเน้นอันนี้เป็นวัดถุกจับต้องวิสูจน์ได้มากเกินไปจะบางทีก็เลยลืมมองข้ามเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องนามธรรม แต่เรื่องนมามธรรมก็สำคัญนะเรื่องวัตถุก็สำคัญแต่ถ้าเราเอาสัา้นนามธรรมแล้วก็วัตถุมาใชค้คู่กันนะคู่ประธรรมันก็จะได้ผลเยอะขึ้นเนาะอ่าก็ฝากก็เราไว้นะ